พ่อตายพ่ อ, อยหญ่ย้อนกลับมากล่าวถึงคุณยายผู้มีญานอย่างรู้ที่มักมาสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์มั่นบ่อยๆที่บ้านน้องผือแห่งนี้แกยังคงมีชีวิตอยู่ แต่ก็ชาราภาพมากแล้วเวลามาวัดแกจะค้าด้วยเมยเ้ามาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต้องพักถึงห้าหุนทั้งๆ ท, ที่บ้านของคุณยายก็อยู่ไม่ไกลจากวัดนักคือประมาณสิบเส้นกว่าคุณยายแกสงสารหลานชายซึ่งเคยอุปถากท่านอาจารย์มั่นมาก่อน เร่งจะไม่ทราบถึงคุณธรรมของท่านหมายถึงดงตาและอาจปรนนิบัติรับใช้ท่านไม่ดีเท่าที่ควรแกเลยแอบบอกหลานชายว่านี่นะกูจะกระซิบให้มึงมึงต้องรู้นะมึงรู้แล้วยังว่าวัดหนองผือนี้พ่อตายแล้วพ่อยังมึงรู้ไหมพ่อตายแล้วพ่อยัง จากนั้นแกก็ชี้ไปที่ท่านแกเรียกท่านว่าท่านมหาแกกระซิบหลานต่อว่าท่านมหาบัวครองวัดแทนครองธรรมแทนแล้วครองทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะให้มึงเคารพเหมือน ก, นกันกับหลวงปู่มั่นนะมึงอย่าปล่อยอย่าวางนะให้มึงคอยแอบปฏิบัติอุปถาท่านนะไม่มีใครรู้หละ กูกระซิบให้มึงมึงอย่าไปบอกใครนะพระเนนที่วัดหนองผือระยะนั้นต่างเห็นว่าคุณยายแกออกมาหาท่านอาจารย์มั่นอย่างไรแกก็ออกมาหาท่านแบบเดียวกันเหมือนกับสมัยที่ท่านอาจารย์มั่นยังคงมีชีวิตอยู่ไม่ผิดกัน ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่าหลวงปูม่ม่นเสียไปแล้วเราไปจำพรรษาที่นั่นแกก็ออกมาจากบ้านมาหาเราตอนเช้าจึงถามแกว่ามานี่พักกี่หนแกตอบว่าห้าหนแล้วมาทำไมก็มันอยากมานี่แกพูดอย่างนั้นแหละ นิสัยแกพูดอย่างตรงไปตรงมามาอะไรเราว่าก็มันอยากมานี่ก็มาแหละแกมาเรื่อยมาหาเราพอฉันเสร็จแล้วแกก็มาขึ้นมาคุยธรรมะลั่นเลยสนุกนะแกพูดธรรมะพูดด้วยความรู้คนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือตัวเดียวก็ไม่ได้นี่แกพูดนี้ร่าเริงมาก พระเนนิรุมเลยเวลาแกพูดมันน่าฟังทั้งนั้นนี่แกพูดด้วยความรู้ออกมาในแง่ต่างๆรู้พวกอินพวกพรหมพวกเทวบุตรเทวดานิสัยของหลานชายที่ปิดความลับไว้ไม่อยู่คำกระซิบของคนยายจึงเป็นที่รู้กันและเป็นเรื่องที่น่าขบขันที่หลานชายคนนี้ยังแอบเอาความนี้มาบอก แม้กระทั่งตัวท่านเอง รู้เรื่องตายในพรรษานี้วันหนึ่งมีโยมมาจากในเมืองได้นำยาถ่ายท้องมาถวายให้พระเนนในวัดฉันจะด้วยเหตุผลใดนั้นท่านลืมเลือนไปเสียพระเนนองค์อื่น เมื่อได้ฉันยานี้แล้วต่างก็ถ่ายท้องกันแบบปกติตามริษยาถ่ายทั่วไปที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแต่สำหรับท่านเองหลังจากฉันไปได้ไม่นานผลปรากฏว่าท่านต้องถ่ายท้องอย่างหนักถึง25ครั้งอาเจียน2ครั้ง ความรุนแรงถึงขนาดที่ว่าเศษอาหารนี้พุ่งออกมาติดข้างฝาเลยทีเดียวจนร่างกายอ่อนลงอ่อนลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าท่านจะฉันยาแก้กันแล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถแก้ฤทธิยาขนาดนี้ได้หลังจากนี้ไม่นาน ก็เกิดทุกขเวทนาอย่างหนักชนิดเฉียดฉิวต่อความตายหรือจะเรียกว่าตายไปแล้วก็ไม่น่าจะผิดเพราะถึงกับหมดความรู้สึกรับรู้ทางส่วนร่างกายทั้งหมดเหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นในขณะท่านอยู่ในห้องซ่วมอย่างไรก็ตามแม้จะเกิดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส แต่เพราะท่านเคยพิจารณาเรื่องเหล่านี้มาก่อนแล้วจึงไม่อาจทำให้ท่านรู้สึกสะทกสะท้านหวั่นไหวแต่อย่างใดท่านเล่าถึงอาการในขณะนั้นดังนี้ที่ว่าถ่ายถึง25สห้าครั้งอาเจียนสองครั้งนั่นนะ มันจะไปจริงๆ 99% ไม่เห็นมันเถอนี่ไม่เห็นมันกลัวตายเลยหือจะไปเดี๋ยวนี้เชอญเหรอเอ้าไปก็ไปน่มันสนุกพิจารณากันสบายเลยตอนมันจะไปจริงๆความรับผิดชอบในส่วนนร่างกายนี้มันหดมาพร้อมๆกันข้างล่างก็หดขึ้นมาอยู่กลางหัวใจนี่ ข้างบนก็หดลงไปข้างซ้ายข้างขวาหดเข้ามาพร้อมกันเลยจากนั้นแล้วร่างกายก็หมดความหมายคือร่างกายเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วหูนี่เลยหนวกไม่ใช่หนวกไม่ใช่บอดเสียแล้วเลยนั้นไปแล้วเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนทุกขเวทนาก็ดับหมดนี่จึงได้เชื่ออย่างแน่ใจว่า คนเราเวลาจะตายถ้ามีสติทราบเรื่องของตัวเองอยู่อย่างชัดเจนแล้วขณะจะตายนั้นเวทนาต้องดับหมดอันนี้มันดับขณะที่เวทนาดับหมดทั้งทๆที่ทุกเวทนาอย่างสาหัสพอถึงขั้นจะไปจริงๆแล้วความรับผิดชอบในความรู้สึกนี้มันหดตัวเข้ามา รูบเดียวเท่านั้นพร้อมกันหมดเลยเข้าไปอยู่ตรงกลางนี้ตรงกลางนี้ก็สักแต่ว่ารู้นะจะว่าเป็นจุดเป็นต่มแห่งผู้รู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีพูดได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแล้วทุกขเวทนาดับอะไรดับร่างกายดับหมดจากความรู้สึกของกายเองและ ความรู้สึกของทางประสาทจิตก็เป็นจิตทุกขเวทนาก็ดับพร้อมกันเลยนั่นตอนนั้นตอน 99% เอร์เซนต์นี่วิตกจะไปเดี๋ยวนี้เฉเิ่งเอาไปก็ไปกำหนดจิตขยับเข้าอีกเหมือนกับจะช่วยให้มันไปมันก็เลยเป็นพลังอันหนึ่งด้วยอำนาจพลังของจิตที่กำหนดจะไปนี้ เลยเป็นพลังทำให้จิตมันซ่านออกไปอีกให้รับรู้ในสิ่งต่างๆในส่วนต่างๆของร่างกายหืมไม่ไปหรือไม่ไปก็อยู่สิแน่เป็นอย่างนั้นไม่ลืมนะความรู้สึกของเจ้าของเป็นอย่างนั้นจริงๆคิดอย่างนั้นด้วยเวลาจะไปจะไปจริงๆเหรอเอา ไปก็ไปสิกำหนดปั๊บเพื่อจะช่วยให้มันไปเสียคือไปอย่างหายห่วงพูดง่ายๆไม่ได้สงสัยอะไรนี่ระยะนั้นเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรแล้วหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดตามความจริงเวลานั้นมันจะมาประกาศความจริง ให้เราเห็นอยู่สิตอนจะตายนี่ก็ไม่เห็นมันกลัวอะไรมันตามรู้กันทุกระยะระยะจนกระทั่งถึงว่าหมดทุกขเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสขนาดถึงขั้นจะตายมันก็รู้ของมันอยู่ตลอดเวลาไม่พลังไม่เผลอจนทุกขเวทนาในร่างกายนี้ที่เป็นสาหัสดับจนหมด เพราะความรับผิดชอบของจิตมันหดตัวเข้ามาผู้ดเดียวเท่านั้นทุกขเวทนาก็เป็นอันว่าดับไปพร้อมกันกับความรับผิดชอบทางด้านร่างกายเอาจะไปเดี๋ยวนี้เฉรอเอาไปก็ไปยังเหลือแต่ความรู้เท่านั้นกำหนดปั๊บ เข้าจุดความรู้นั้นไม่ถึงนาทีนะมันซ่านออกไปอีกพอซ่านออกไปหูก็ได้ยินตาฝ้าฝางก็เหมือนกับมองเห็นความรู้สึกทางส่วนร่างกายก็รู้ทีนี้ทุกขเวทนาก็เริ่มขึ้นก็สาหัสเหมือนอย่างที่เคยเป็นสาหัสมันก็สาหัสในส่วนร่างกายต่างหาก ไม่ได้สาหัสในจิตไม่ได้เข้าถึงจิตจิตเป็นปกติอยู่อย่างนั้นธรรมดาธรรมดาจากนั้นอาการป่วยของท่านก็ค่อยทุเลาลงทุเลาลงกำลังวังชาก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับและกลับคืนจนเป็นปกติในที่สุด จังหวัดมุกดาหารหลังท่านอาจารย์มั่นได้มรณภาพท่านหลวงตาจำพรรษาที่บ้านนองผือได้หนึ่งพรนษาจากนั้นก็ไปจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำาชอี จังหวัดมุกดาหารอยู่ถึงสี่ปีจนถึงปี 2,497 พระเนรก็หลั่งไหลติดตามไปอยู่ด้วยมากมายตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถบนั้นแต่ที่สำนักของท่านจริงๆมีประมาณสิบกว่าองค์ ท่านก็ให้ความเมตตาสงเคราะห์พระเนนด้วยการเทศนาอบรมสั่งสอนด้วยความเอาใจใส่จริงจังเข้มงวดทั้ง ร, รมวินัยทั้งข้อวัดปฏิบัติต่างๆและเทศให้กำลังใจในการบําเพ็ญเพียรจนพระเนนหลายองค์รวมทั้งครวาดเกิดผลประจักษ์ใจขึ้นเป็นลำดับ เข็นหนักด้วยอัธรรมท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็นองค์หนึ่งที่ได้อยู่จำพรรษาในระยะนี้ด้วยในหนังสือประวัติย่อท่านอาจารย์สิงห์ทองได้กล่าวถึงความจริงจังของหลวงตา พระเนนยุคบ้านห้วยทรายว่าท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านเข้มงวดกวดขันกับพระเนรที่ไปปฏิบัติกับท่านมากยามค่ำคืนท่านอาจารย์มหาบัวจะลงเดินตรวจพระเนรในวัดโดยไม่ใช้ไฟฉายว่าพระเนรองค์ไหนทำความเพียนอยู่หรือเปล่า ถ้ามองเห็นจุดไฟอยู่ท่านก็จะไม่เข้าไปถ้าองค์ไหนดับไฟท่านจะเข้าไปเข้าไปจนใต้ถุนกุฏิแล้วฟังเสียงว่าจะนอนหลับหรือเปล่าหรือนั่งภาวนาเพราะคนที่นอนหลับส่วนมากเสียงหายใจจะแรงกว่าธรรมดาที่ไม่หลับถ้าหากว่าองค์ไหนนอนหลับก่อนสี่ทุ่มแล้ว พอตอนเช้าประมาณตีสี่ท่านจะเดินตรงไปที่กุฏิองนั้นแหละและถ้ายังไม่ตื่นตอนเช้าลงศาลาจะเตรียมบิณฑบาต ท, ท่านจะเทศว่าให้พระเนนองค์นั้นถ้าท่านได้เตือนถึงสามครั้งแล้วไม่ดีขึ้นท่านจะขับไล่ออกจากวัดให้ไปอยู่วัดอื่นโดยพูดว่าผมสอนท่านไม่ได้แล้ว นิมนต์ออกไปจากวัดเสียฉะนั้นพระเนนยุคบ้านห้วยสายภายใต้การนำของท่านจึงมีความภาคเพียรในด้านการทำสมาธิภาวนาเป็นอย่างมากต่างองค์ต่างลักกันแอ่ปฏิบัติคือบางองค์เวลาหมู่เดินจงกรมจะขึ้นกุฏิแล้วไม่จุดไฟทำท่าเหมือนกับว่านอน แต่ความเป็นจริงนั่งภาวนาเวลาหมู่ขึ้นจากทางตรงกลมหมดแล้วจึงค่อยลงมาเดินก็มีท่านอาจารย์สิงห์พองเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นเหมือนกับว่าพระเนนในวัดนั้นจะไม่ค้างโลกกันพอตื่นนอนขึ้นมามองไปเห็นแต่แสงไฟโคมสว่างไสวตามกุฏิของพระเนน เหมือนกับไม่นอนกันเรื่องอาหารการกินเขามีกบหรือเขียดตัวเดียวอย่างนี้เขาก็แบ่งใส่บาทได้สี่บาทสี่องค์ก็มีคราวที่อดอยากมาเขือลูกเดียวอย่างนี้เขาจะพาใส่บาทได้สี่องค์ ทั้งนี้เนื่องจากทางอีสานนั้นกันดานน้ำโดยเฉพาะหน้าแหลงบางแห่งต้องได้กินน้ำในสระพร้อมทั้งไปตักเอาไกลด้วยเป็นสองสามกิโลเมตรก็มีเพราะขุดบ่อไม่มีน้ำถึงจะมีบางแห่งน้ำก็เข็มกินไม่ได้และสิ่งที่ตามมาด้วยคือความอดอยากเรื่องอาหารการกิน อาศัยแก่นไม้รากไม้ใบไม้มาต้มฉันนานๆจะมีน้ำอ้อยก้อนทีหนึ่งก้อนเดียวแบ่งกันฉันสามสี่องค์ก็ยังพอบางปีพระเนนป่วยเป็นไข้ามาลาเรียเกือบหมดทั้งวัดยังเหลือแต่ท่านพระอาจารย์มหาบัวและพระอีกองค์หนึ่งก็มีเป็นผู้ทากิจวัตรประจำวันเช่นปัดกวาดลานวัดและ ตักน้ำใช้น้ำฉันหลวงปู่ล่าเขมะปะโตวัดภูเจ้าก่อจังหวัดมุกดาหารเป็นองค์หนึ่งที่อยู่ร่วมจำพรรษาด้วยในระยะนี้เช่นกันหลวงปู่ล่าเล่าถึงบรรยากาศยุคบ้านห้วยทรายไว้อย่างน่าประทับใจ ดังนี้สมัยนั้นเดือนพฤกษภาคมข้างแรมหลังวิสาขาบูชา 2,496 แล้วปีนั้นมีพระส1อลูกสามเณรสีู่กคือพระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าอาจารย์มหาบัวพระอาจารย์สมพระอาจารย์สิงทอง หลวงพ่อนินข้าพเจ้าหลวงปู่ล่าคุณเพียงคุณสุพัฒคุณเพ่งคุณสีหาคุณลีคุณสวัสดและเนนน้อยเนนน้อยอีกองค์เนนบุญยังเนนโสปฏิปทาของหลวงปู่มหาภาธรรมเหมือนสมัยยุคหนองผือหลวงปู่มั่น เพราะสมัยห้วยทรายแขกโยมยังไม่มากประวัติยุคห้วยทรายก็เป็นยุคที่พระอาจารย์มหาตีและเข็นพระเนนโดยไม่ได้เลือกหน้าเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าสมัยบ้านห้วยทรายในยุคนั้นในศาลาโรงฉันยังได้ใช้กระโถนกระบองไม้ไผ่บ้านอยู่นะแม้อยู่ตามกุฏิเป็นส่วนมากก็เหมือนกัน น้ำมันกาดก็มีเพียงปีละสองปิดผ้าที่จะทำไตรจีวรก็เหลืออยู่หมดวัดเพียงปีละไม้สองไม้เท่านั้นมูลค่าในวัดทั้งหมดรวมกันในวัดบางทีก็ร้อยสองร้อยเท่านั้นปลรารบไว้เพื่อให้กุลบุตรสุดท้ายคำหนึ่งจะได้ไม่ลืมตัวในสมัยวัตถุนิยมรูหราเพราะเกรงกิเลสจะรูหราขึ้น ด้านเสนาสนะก็กั้นใบตองและฟางเป็นส่วนมากพระอาจารย์มหาก็ยังอยู่กุฏิฟากและมุงยาประตูหน้าต่างก็ทำเป็นงวงฝาแถบตองผลักไปมาหรือเวิร์กออกแล้วก็ค้ำเอาด้านทำความเพียรมีเวลามากกว่าทุกวันนี้ราวหนุ่มอยู่ หลวงปู่มหายิ่งเพียวกว่านี้มากพวกลูกศิษย์ที่ได้ไปหุ้งหลวงปู่บ้านตากในยุคปัจจุบันนั้นองค์ท่านอนุโลมที่สุดอย่าว่าองค์ท่านดุเลย อัศจรรย์ความเด็ดเดี่ยวองค์หลวงปู่มหาด้วยเหตุที่หลวงปู่ล่าท่านเห็นถึงปฏิปทาความจริงจังของหลวงตาตั้งแต่สมัยที่ปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสกระทั่งถึง ระยะที่เป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งพระเนนหลายรุ่นต่อหลายรุ่นด้วยกันมานี้ดังนั้นเมื่อหลวงพุลธาท่านตั้งวัดภูเจ้าก้อขึ้นมามีพระเนนเข้ามาศึกษากับท่านเพื่อให้พระเนนลูกหลานที่อยู่ในการปกครองได้เห็นคติแบบฉบับอันงดงามการแสดงธรรมของท่าน ยึงมักต้องเล่ลาวถึงหลวงตาอยู่เสมอเสมอดังบันทึกฉบับหนึ่งที่หลวงปู่ล่าท่านเขียนเป็นจดหมายทิ้งไว้เพื่อเป็นอุบายสอนพระดังนี้วัดบรรพศคีรีภูเจ้าก่อ บ้านแวงตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร21อมิถุนายน2536รากราบเท้าทูลเรียนถวายองค์หลวงปู่ที่กล่าวเคารพจนกล่าวสิ้นพบสิ้นชาติในระหว่าง สีหวันหลังที่ล่วงมาเคร้าวได้กราบเท้าทูลถวายฝากมุ้งมาทูลถวายองค์หลวงปู่กับพวกครูโรงเรียนที่เขาปรารพว่าจะมากราบเท้าองค์หลวงปู่พร้อมทั้งมีจดหมายอยู่ในที่นั้นด้วยถ้าหากว่าองค์หลวงปู่ได้รับพร้อมกันแล้วจงทรงพระมหากรุณาให้พระเลขา ตอบจดหมายให้เกล้าทราบด้วยเทินเพื่อจะได้หายกังวลเกล้าเมื่อพิจารณาขณะจิตก็ได้นึกถึงองค์หลวงปู่อยู่เป็นอาหารของใจอย่างเคารพสูงยิ่งและองค์หลวงปู่ทรงปฏิปทาเด็ดเดียวสมต้นสมปลายเป็นธรรมอันหาได้ยากในสมัยปัจจุบันนี้เรื่องนอ ก, นอก ที่กล่าววิจารณ์ตามประษาอารมณ์บ้าของกล้าที่เป็นบ้านั้นกล้าวได้พิจารณาลึกลงไปกว่านั้นมาแต่ไรแต่ไรแล้วและไม่มีที่จะแซงองค์หลวงปู่อันใดได้เลยถ้าผู้หนักไปในทางธรรมแล้วก็วจะได้อัศจรรย์องค์หลวงปู่ที่เด็ดเดียวเป็นทิฏฐานุคติของอนุชนรุ่นหลังอย่างยอดเยี่ยม กราบเท้าทูลเรียนถวายจดหมายองค์หลวงปู่ถ้าเขียนน้อยก็ไม่สมเจตนาของกล้าวถ้าเขียนมากองหลวงปู่ก็จะน่าเบื่อไม่รู้ว่าความพอดีอยู่ในระดับใดต้องยอมบกพร่องยกธงขาวต่อองค์หลวงปู่อยู่เสมอเสมอู่ขาดจองขาดจนกล้าวสิ้นพพสิ้นชาติ ราบเ ท, ท้าทูลเรียนถวายมาด้วยความเคารพสูงยิ่งจนกล่าวสิ้นพบสิ้นชาติกล่าวพระล่าเขมรปโต